วันนี้ฟังทำเรื่องอะไรวันนี้หัวข้อเรื่องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏนะคะแล้วต้องจริงๆต้องบอกว่ารู้สิ่งที่กาลังปรากฏในขณะปัจจุบันด้วยกำลัง ing ing ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรีรยกมี ing เนอะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยกำลังปรากฏในปัจจุบันจริ ง, รงถ้าไม่หลับเนาะมันก็รู้ได้นะ ใช่ค่ะมันรับรู้ทางไหนละโูตายจมูกร่างกายใจก็รับรู้ได้ก็กำลังปรากฏแล้วเนี่ยแค่นี้หลง<ช>วงก็<ช><อ>คงดี เ, เหนื่อยกับการพูดนะอธิบายแล้วกันนักกันหนาะทั้งหลายวันแต่จริงอ่ะธรรมะมันก็ปรากฏเฉพาะหน้าอยู่แล้วเนาะใช่แต่ว่าคุณจะเห็นหรือเปล่าให้นั่นเองนะคะการนรัมการค่ะท่านพอยค่ะอ๋อธรรมชาติความตาจานอดแล้วก็กพวก หนุ่ยหนุ่ยด้วยเนาะอนุทนาสาธุค่ะวันวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อจะจะเป็นผู้ฟังเนาะคือคือจะฟังความรู้ของโยมอะไม่ใช่จะฟังอะไรหรอกว่าเออแต่ละคนที่ได้ได้พูดเนาะ <c oughs> สิ่งที่พูดก็คือพูดจากความรู้นั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่รู้จะพูดได้ยังไงเนาะก็พูดไปในสิ่งที่รู้แต่สิ่งที่รู้นั้ น, นอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้แต่ถือว่าผู้พูดได้รู้แล้วว่าว่ารู้อย่างนี้ อ่าแต่มันก็เป็นรู้ที่พูดได้ไงแต่ก็ก็<ช>ต้องพูดนะเออทีนี้หลวงพ่อก็จะฟังว่าท่านนี้รู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ก็ไม่มีการตัดสินว่ามันผิดหรือมันถูกเพราะมันเป็นแค่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏมันก็ผ่านไปนะ<ช>อย่างเงี้ยโล่งเลยไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขอะไรเพราะว่ามันค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> แล้สัสดี อ, อ, อเดนสุกท่านด้วยนะคะเรียนเชิญนะคะพิสุวีเรียนเชิญนะคะ ถ้าเล็กสะดวกก็ยกมือเลยนะคะคุณสติสวัสดีค่ะคุณอานนท์นะคะพอดีเมืเอ่อกี้ก่อนหนะ้าที่จะเข้าห้องหลวงพ่อค่ะก็ไปฟังมารดัชนีสูตรค่ะจากห้องวิปัสสนาประสูตรนะคะของท่านชัยพลมาค่ะค่ะจะมีคนขึ้นมาพูดคุยกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับมารอะไรอเงี้ย น, นะคะค่ะแต่อันนี้ของเราก็ไม่ต้องพูดถึงมารนะคะ่ะพูดถึงถึง อะไรสัอย่างในตอนนี้ก่อนละกันยังไม่ต้องมาเอาตัวเราเองก่อนอเครับเรียนเชิญนะคะหนูนี้ไม่ต้องไม่ต้องเชิญคุณดวงตาใช่ไ้ยคงคงไม่ต้องเพราะว่าเป็น<า>เป็นเงาเป็นเงาค่ะยั้ไงต่อเรียนถามท่านพลอยค่ะท่านพลอ ย, ออยอขออนุ ญ, ญาตเออให้ท่านพลอยอแนะนําแล้วกันคะ่ะหรือว่าพูดเกี่ยวกับสวนหัวข้ออย่างเงี้ยคะ่ะ อ, อ่อก็ขอ อนุโมทนาพระจนออันาร์อ๊อดแล้วก็หนุ่ยนุยเนาะที่ให้พวกเราได้มีาการสนทนาธร ร, รมก็ในสมัยก่อนพุทธการก็มีอยู่แล้วนะพระอาหารหันต์ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะมีการสนทนาธรรมกับพระสวดาบาลชรรกิกาและอนาคาคาก็ยังมีการสนทนาธรรมกันอยู่ แต่ระดับผู้ที่เป็นอริยบุคคลนะการสนทนาธรรมก็เป็นการพูดที่แสดงธรรมสนทนาพูดโดยที่ไม่มีตัวตนเข้าไปพูดนะส่วนผู้ที่ฟังก็นะก็ย่อมไม่มีตัวตนที่จะเข้าไปไปฟังก็จึงทำอย่างที่นะพระจาร์นออสพูดถูกต้องนะพูดถึงจุดหนึ่งแล้วนะธรรมะไม่มีคาว่าถูกและธรรมะไม่มีคาว่าผิด เพราะว่ามันคือสิ่งเดียวเดียวกันเนาะสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ถูกที่ผิดมันก็เสื่อมสลายสุดท้ายมันก็บังคับมันชำไม่ได้ไม่มีใครไปจะไม่มีใครที่จะไปถูกแล้วไม่มีใครที่จะไปผิดยกเว้นเสียว่าผู้ที่ยังมีอวิช า, า, ชามีความว่าตัวมีตนมีเรารู้อะไรก็ก็เรารู้ว่าถูกเรารู้ว่าเขาผิดเนี่ยแต่ถ้ากลับมาลู่เราเนี่ย ไม้กระทั่งตัวเรามันก็ไม่มีอยู่จริงๆก็เหมือนที่ว่า <c oughs> สิ่งที่กําลังปรากฏมันก็ยังดํารงอยู่เพราะขันท่าก็ยังด้วยอำ น, นาจของวิบากกรรมของแต่ละท่านกรรมฝ่ายดีกรรมฝ่ายชั่วอย่างที่รพระพุทธเจ้าบอกว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันนะมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยดีหรือชัว่วก็ตามก็รับผลกันนําสืบต่อไปหรือบางท่านก็กรรมนี้เป็นกรรมชาติสุดท้ายให้เนี่ย มันงก็อีกเจ็ดชาติอีกอย่างก็ชาติเดียวแต่ก็เราก็เป็นผู้ที่กำลังปรากฏก็ยังดำรงอยู่พวกขันห้ า, หา ย, ยังไม่หมดอยายุขัแล้วก็ยังไม่หมดแต่ก็ไม่เอาตัวผู้รู้กืจิตั้งมันอยู่แล้วเนี่ยไปหลงยึดติดในสิ่งที่กำลังปรากฏนะฮะได้แล้วเมื่อไหร่ก็จึงเป็นสิ่งเดียวกันว่างจากสิ่งที่กำลังปรากฏโดยธรรมชาติของมันไปเองว่างโดยผู้รู้ว่างโดยสิ่งถูกรู้ ดังนั้นทั้งผู้ถูกกระทําำและดังนั้นผู้ที่กระทําจึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเหมือนไม่ปฏิบัติก็ต่ก่อนเราจะมีศีลศีลก็เวลาแต่ก่อนโอ้ศีลเราทีเราสํารวมดีต่อเอาข้าเอาเข้าตอนนี้เสียงมันก็ไม่เที่ยงนะเสียมันก็เสื่อมสลายเสียงก็บังคับบัญชาไม่ได้เราก็พยายามจะให้เสียมันเที่ยงนะเราก็พยายามจะให้ศีลมัน บังคับปัญชาได้ไม่ให้มันเสื่อมสลายไปแล้วก็ผิดนะก็เป็นศีลเหมือนกันแต่เป็นเป็นศีลที่แบบเป็นศีลที่มีตัวตนเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นกว่ามีตัวตนใม้กระทั่งการปล่วางปัญญา ม, มันก็เหมือนว่าด้วยสิ่งที่เป็นจริงแต่ก็ไม่เข้าถึงความจริงจริงโดยสมมุติก็คือวิปัสสนอยู่มันยังไม่ถึงวิปัสนาโดยท่องแท้เนี่ยถ้าเป็นวิปัส ศาสนาโดยท่องแท้เนี่ยมันต้องไม่มีเราตั้งแต่สิ่งที่ปรากฏตอนปัจจุบันขณะแล้วเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่พระอาจารย์จะพูดว่าทุกคนให้สาภาพของพฤติกรรมของจิตนะถ้าเป็นผู้ทั่วชนก็มักจะคุ้เคยเพืนเรื่องของอดีตอดีตนี่จะเป็นเชิงลบหมดเลยมีแต่เรื่องเศร้าหมองเรื่องดีๆก็มีน้อยแต่เรื่อง เรื่องที่ไม่ปนาฏฐานะนี่จะมีมากกว่าเป็นเชิงแล้วส่วนเรื่องอนาคตมันก็เป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านความลำคาญใจอนั่นแสดงว่าเป็นทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตอุปมาอุปไมยเหมือนด่งภาพมายากลแต่ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนของจริงคือปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขนาดนี้แล้วก็ดับไปแล้วแต่ว่าเรานี่ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยก็ พอมีสติแต่ก็ไปยึดปัจจุบันก็จึงทำให้ปัจจุบันเพียงแค่ทำให้จิตสงบแต่ว่าในภายในใจิตใจของมันกิเลสมันยังไม่สงบนั้นวิธีของการที่จะเอาําอย่างไรนะเห็นอย่างไรรู้อย่างไรให้กิเลสนี้มันสงบออกจากจิตมันก็ต้องอย่างที่หลวงพ่ออ้อพูดถูกต้องเลยเรารู้แต่นี่กลับมารู้เราทนะุกเกิดที่ไหนนะ ทุกเกิดที่ศีลเลยทุกเกิดที่สมาธิหรอือเนี่หรือทิตต่เกิดที่ปัญญาที่มันไม่บกปมไม่ได้ไม่ใช่เลยทุกมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ <c oughs> ใจมันไม่ยอมรับความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงอ่ามันไม่ยอมรับความเป็นจริงของความที่เสื่อมสลายไปไม่ยอมรับความเป็นจริงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นของใครบังคับมันใช้ไม่ได้รวมแล้วศีลสมาธิปัญญาศีลนันนคือความสมดุลสมาธิคือความตั้งมั่นความเป็นจริงส่วนปัญญาคือ เห็นกว่าเป็นจริงเห็นจริงแล้วจึงปล่อยวางมันยังไม่เห็นจริงมันเลยปล่อยวางไม่ได้ก็ไปยึดสมมุตินะไปะยึดสิ่งที่ปรากฏแล้วก็เอาสิ่งที่ปรากฏเนี่ยมาครอบงำตัวผู้รู้อีกทีจึงทําให้ตัวผู้รู้ตกใต้อํานาจของสิ่งที่ปรากฏอีกขั้นหนึ่ง น, นี่ก็จะลึกไปหน่อยท่้การที่ยาสลายตัวนี้ได้จะรู้ได้ต้องเห็นปัจจุบันดับเท่านั้นนะอย่างที่ท่านขาติญาณเนี่ย ที่บอกว่าไม่มีโรคนี้และก็ไม่มีโรคหน้าก็มายถาว่าโรคนี้มันดับปัจจุบันแล้วนะตับดรอหน้าต่อตาเนี่ยระหว่างตัวผู้รู้ไปรู้อยู่ปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันก็ดับปัจจุบันคือสิ่งที่ถูกรู้ก็ดับตัวผู้รู้ก็ไปดับดับของมันเองอ่าผู้รู้ก็ดับสิ่งถูกรู้ก็ดับแล้วก็จะไปเหลืออะไรมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วนอกเสียว่า เราเนั่งเป็นผู้ที่ไปดำริเป็นดำริอ่เรื่องราวต่างๆดำริทั้งสายกุศลและอกุศลโทษทีนะบางทีที่อาจารย์ปราโม่เคยพูดนะที่บอกว่าพระพระพุทธเจ้าก็ทำลายพระพุทธเจ้าต่อให้พวกเราจู่หน้าพระพุทธเจ้าขัาข้นของความพูดนะว่าเราก็เป็นแค่สมมุติพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนเราดังนั้นการที่เราจะรู้ตรงนี้ได้เมื่อไหร่ นะเธอรู้เท่าทันก่อนที่มันจะปรากฏเนี่ยนะเธอก็จะไม่ไปหลงยึดติดในสิ่งที่ปรากฏนะทั้งๆที่ในตัวของมันเองมันก็ว่างอยู่แล้วแต่เมื่อไรเธอหลงไปกับสิ่งที่ถูกรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่รู้ตัวความว่างจากธรรมชาตินั่งเดิมมันก็จะไม่ว่างทันทีนแต่ส่วนใหญ่พวกเราจะไม่รู้กันเลย ดังนั้นผู้พระเจ้าถึงท่านเลยใช้คําว่าสติปัฏฐานทั้งสี่ท่านเมื่อเคยบอกว่าอปัญญาสจ้าฐานทั้งสี่เลยเห็นไหมสติมาความรู้สึกมาความตั้งต้านเกิดจึงทําให้เห็นตามความเป็นจริงได้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมผู้รู้เรารู้เป็นของปลอมรู้เรานี่เป็นของจริงที่พูดมาทั้งหมดอุปมาอุปไมยก็ คงเป็นลักษณะนี้แต่ที่ธรรมอัดพระพระอาจารย์พลดีขึ้นตอนที่ได้มาฟังอาจารย์ออดคำว่ากลับมารู้เราเนี่ยเราก็รู้แต่ว่าเราพูดไม่เป็นนะงั้นสิ่งสําคัญถ้าเราพูดกันตรงๆอย่างที่กลมมาละมัสูตรเนาะท่านบอกอย่าเชื่ออาจารย์อย่าเชื่อคัมภีร์อย่าเชื่อตาําราอย่าเชื่อผู้แสดงธรรมจะพูดตาำจะเชื่อในสิ่งที่มันตำ ต, ตามกันมา อา้าวถ้าให้เชื่อในการปังให้เชื่ออาจารย์แล้วเชื่อใครล่ะแสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านเจาะทะลวงลึกออกสิ่งสมมุติให้สูตรกระแสขององค์ธรรมอย่างท่องแท้เ่ยเพราะว่าอย่างเราเห็นว่าความความไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงจากตําราคัมภีร์ความไม่เที่ยงจากคํำกล่าวของพระอาจารย์พลอยหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อื่อนๆท่านมันก็ยังไม่ลึกซึ้งกับ เห็นความไม่เที่ยงแบบสภาวะความไม่เที่ยงที่มันมันรู้อยู่เงียบๆโดยที่เราไม่ต้องพูดมันก็ไม่เที่ยงมันมีแบบโดยเงียบโดยปากกาจากคำพูดและตัวอักษรเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าจักรสุดวงตาเกิดขึ้นแล้วกับเราไม่ใช่จักรสุดดวงตาเกิดขึ้นแล้วกับคำพีคำราตัวอักษรจักรสุดดวงตาเกิดขึ้นแล้วกับอาคูบาอาจารย์ไม่ใช่นะงั้นพระเจ้าบอก มีตนเป็นที่พึ่งเธออย่าเอาสิ่งใดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไปเลยนะรู้เฉพาะตนตนแล้วเพียงแ่พึ่งแห่งตนเพราะว่าความทุกข์ทุกข์นี้ให้รู้นั่นการที่ควรจะรู้คือรู้เราไม่ใช่เรารูนะ้รู้ว่าเราทุกข์แล้วเนะี่ยแต่ไม่ใช่เขาพูดแล้วเขาทำให้เราทุกข์ไม่ใช่อันนั้นเป็นผลของวิบากกรรมมันหลีเกเลี่ยงไม่ได้มนีไม่ต้นกรรมใครกรรมมัน งั้นเวลาไฟไม่บ้านเราในระดับบ้านใครก่อ น, นก็ดับบ้านเราก่อนมันจะไม่ใช่เราไปดับบ้านเขาไปห้ามเขาไม่ให้พูดเป็นไปไม่ได้งั้นไฟบ้านเราเราก็ต้องดับก่อนด้วยการใช้สติก่อนสัมมาสติก็เป็นสติที่เป็นสติที่ไม่มีตัวตนคือรู้เราแต่ถ้าเกิดเป็นสติที่มีตัวตนมันเรารู้เนี่ยมันก็ไม่เจอแะทีห่างออกห่างออก เป็นผู้ใก ล, ก ล, ลนะ้กิเลสเลยน่ะกิเลสอุปาทานตัวตนเป็นอัตตาแต่ถ้าอรู้เราเมื่อไหร่นะ่ะเป็นอนัตตารู้เราจนเข้าถึงมันไม่มีอะไรจริงๆแต่ก็ยังดำลงอยู่ในสิ่งที่มันมีเพราะกันให้ยังทํางานกันให้ยังไม่หมดที่เป็มาทางนี้ก็คงเป็นลักษณะอย่างนี้แต่คนที่อยู่ที่เหลือใครจะทําได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องเป็นผู้ไม่กระทำํำ มันไม่สามารถไปกระทําได้แต่เราสามารถสํารวมได้คําว่าสํารวมไม่ใช่ว่าเราเดินเรียบร้อยพูดเรียบร้อยสํารวมของพระเจ้าคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นแหละไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยสิ่งที่เห็นไม่ยินดียินร้ายในสิ่งที่เราได้ยินไม่ยินดียินร้ายในทุกสภาวะที่กําลังปรากฏถ้าเราไปยินดียินร้ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏเราก็จะเป็นผู้ที่รับ กับสิ่งนั้นมาเป็นผลของการเฉลิอารมณ์วิญญาณย่อมได้อาหารอยู่กระเลงกระหารอาหารของวิญญาณเนี่ยวิญญาณนั่งก็คือว่าวิญญาณยังอาศัยได้เพราะเราเราเป็นผู้ยึดติดเรายังมีตันหาอยู่เป็นเครื่องลอยลัดมันก็จึงทําให้เรามีการขับเคลื่อนปีไปมีมามีเกิดมีดับมีความเป็นคู่คู่อยู่มีมีผู้รู้แล้วก็มีสิ่งถุจรู้ กันรู้กันไปกันรู้กันมาก็เหมือนว่าท่าะไรมีจิตที่นั่นมีมีอารมณ์อ่ามีจิตก็ต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ก็ต้องมีจิตแต่เมื่อใดเห็นอารมณ์มันก็ไม่เที่ยงเห็นจิตมันก็ไม่เที่ยงเห็นอารมณ์มันเสื่อมสลายเห็นจิตมันก็เสื่อมสลายเห็นอารมณ์มันบังคับไม่ได้เห็นจิตบังคับไม่ได้ก็จะรู้ว่าอาจิตก็ไม่ใช่จิตของเราเนี่ยจิตเป็นของใครจิตนั่นเป็นของใครจิตเป็นของจิต จะรู้ว่าจิตก็เป็นของจิตไม่มีใครเป็นของใครแต่เพียงว่าเพียงแค่เห็นเพียงแค่สภาวะเห็นเห็นก็เป็นแค่เห็นแต่ไม่เอาเห็นไปเป็นของใครมันก็จะเป็นสภาวะอย่า ง, งานาั้นก็แล้วเข้าถึงธาตุรู้นะธาตุรู้คือรู้ก็สักเอาว่ารูา้นะแต่ไม่เอารู้มาเป็นเป็นเรารู้รู้ก็ไม่เป็นของเรามันรู้ของมันเองโดยทาตา ม, า ม, รมาาตนะธรรมชาตินะธรรมชาติเพมันก็เป็นอย่า ง, งานั้นอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่เมื่อใดเราเป็นผู้ที่ยังปรุงแต่งอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งได้เมื่อใดเธอเป็นผู้เห็นความจริงเหตุของความเป็นจริงแล้วทำให้เราเป็นผู้ที่เข้าใจเข้าถึงทะลุทะลวงอย่างแจ่มแจ้งประจักชัดขนาดนี้เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มรู้ว่าโอ้ ของจริงมันวัดตรงที่ขนาดเดียวไนงะขนาดเดียวที่มีภาษามากระทบเราจะเป็นผู้ยึดหรือเป็นผู้ละไนงะถ้าละตรงนั้นแล้วก็ต้องละละของมันเองนะแต่ไม่ใช่มีเราเป็นละไม่มีใครเราเป็นละไดะ้ก็เหมือนกิเลสกิเลสก็เป็นของกิเลสแต่เราไม่สามารถจะไปทําลายกิเลสได้เพราะกิเลสเป็นของขันธ์ห้าเนะี่ยนั้นเราก็กิเลสเป็นของกิเลสอ่ารู้อย่างเงียบๆไนงะ แลมีคนมาถามแล้วแล้วอะไรนะคับจาย์เป็นเพื่อนวัดว่าเราเร า, เรารู้จริงเราว่างจริงขนาดที่เราไม่พูดไม่เคยปากเนี่ย ก, ก็ขนาดต่อเมื่ออ่ามันว่างมันกเ็เรียกว่างจริงคือพูดเป็นอย่างที่อาจารย์ออดพูดถูกของจริงเงียบเงียบเป็นใบอ่าก็เหมือนอุปมาอุปไมยเหมือนเมื่อใดเธอเห็นก้อนเห็นมันพูดได้ก้อนเห็นก้อนนั้นก็ไม่ใช่มาจากธรรมชาติแล้วก้อนหินมันก็ยังปรุงแต่ง จากเมื่อใดหินก็เป็นก้อนหินมันก็บรรหินแบบเนียบของมันตามธรรมชาติตามลักษณะพิเศษเฉพาะลักษณะของก้อนหินของมันน้ําก็เป็นของน้ําลมก็เป็นของลมธาตุสี่คันสี่ก็เป็นของมันแม้กระทั่งจัดไอกระทัดจิตของมันก็เป็นจิตของมันจิตก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งก็เป็นของมันอย่างนั้นะรู้อย่างเดียวแต่ไม่รู้มันแค่รู้ก็จบตรงที่รู้แต่ที่มันไม่จบเพราะเราเอาตัวรู้มายึดไว้มันจึงไม่จบนะ สิ่งที่พูดมาก็คงลักษณะคงเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ข อ, อท่านผู้นี้ประสบการณ์ทางธรรมไดแม้แลกเปลี่ยนสิ่งที่อัตมาพูดไปก็ไม่ควรเชื่อพอฟังไปแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมเพราะามันมันเป็นแค่สัญญาเนาะไม่ได้ความจริงถือว่าฟังประสบการณ์แล้วกันจงเอาความจริงของตนที่ประจักษ์แจ้งอย่างทองแพ้เป็นที่ตั้งมันจะได้ไม่ม ภาษาทุค่ะก็ทำให้เราเดึกถึงว่าเราควรจะใส่ใจในสภาวะที่เป็นอยู่นะคะให้มากกว่าการกระทํำนะคะลองหยุดการกระทำํำทั้งหมดลงนะคะสักครู่หนึ่งแล้วก็รับรู้ถึงการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยค่ะนะค ะ, นะคะก็แค่อยู่ตรงนี้เองแล้วก็ทุกสิ่งมันก็ล้วนที่ดำรงอยู่แล้วนะคะ ค่ะก็สวัสด mm ีคุณอนุนด้วยนะคะสวัสดีครับกมาพออดนพอครับพอครับเพ่นขอากพูดนะครับว่าพออดให้การบ้านว่าให้ปิดอาจารผมก็เลยปิดสักสองสาวันแต่ก็วันนี้ขอพูดอที่บอกนะครับหนุมน้ก็วัะีนะครับคำถามที่เพื่อให้มาผมคถามที่ที่ดีมากครับคือว่าปัจจุบันขณะคือร อ่าผมขอแสดงความเข้าใจที่ผมนะครับผิดผูกก็เชิญท่านอาจารย์อ๊อฟแล้วก็ท่านอื่นแล้วก็ท่านพอแนะนาได้นะครับก่อนอื่นที่ว่าจะปัจจุบันขนาดหมครับปัจจุบันขนาดเนี่ยมันจะมีได้ยังไงไมครับแล้วก็มีตัวเราก่อนครับถ้าไม่มีตัวเราครับเนี่ยตัวจะรู้ได้งไงว่าเราอยู่เวลาช่วง ไ, ไหนที่ไหนอย่างไรใชครับเพราะว่าสังเกตไหมครับว่ามนุษย์เนี่ยตั้งแต่มนุษย์สมัยกถึงว่า ยังไม่กาหนดเวลาวันเดือนปีหอต่อเนะครับมันไม่มีใครกําหนดเวลาเลยหลายล้านเปีเนอยครับเช่นมันมันมาสมมติช่วยปุ๊ง่ายแค่ น, นั้นเองนะครับอสังเกต น, นะครับว่าเราก็จะตั้งใจนะว่าผมเคยคุยแล้วว่ามไม่มีใครอะไปหายใจในที่อดีตได้และมไม่มีใครไปยืนหายใจที่อนาคตได้แต่ตอนนี้ทุกท่านก็ที่ตรวได้ว่าสามารถหายใจได้อยู่ขนาดนี้ได้และถามว่าขนาดที่ที่หายใจอยู่ขนาดเนี้ย เป็นคใครเป็นอาจารย์ถ้าจะกอดคตอบแบบงงๆก็เหมือนบอกว่าก็เป็นรูปประธานมรติและอาจารย์คง ต, ตอบถามผมว่าและใครรู้ได้ไงเป็นลมหายใจก็เป็นิตเนะ่ะจริงๆก็คือตัวเราเนี่ยแหละลมหายใจปัจจุบันขนาดจิตนะครับซึ่งสัสงเกตไหมครับว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยมหม่เสมอผมติดตูก้กันหลายครั้งแล้วก็สังเกตดูว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นจากลมหายใจเนี่ยมันไม่จเป็นต้องนับมั น, นไม่มีอะไรที่มีอนาคตว่าเป็จจิตว่า เข้าออกเข้าออกไม่ไมต้องเอ่ยแต่สิ่งนี้มีอุปมาผมมีความรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยเราเรารู้แล้วมันติดไปไปมันไม่มันไม่ผิดใช่ไหมครับเพราอดีตที่ผ่านมาคือมันผ่านไปแล้วใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถามว่าทำไมปัจจุบันขนาดเนี่ยต้งง้อง ม, องมาใส่ใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าการต่างๆ ว, าว่าเป็นกุศลกรรมอภิสุลกรรมเนี่ยหรือไม่เป็นกุศลหรืออภิสุลกรรมต่างๆเนี่ยมันเกิดอยู่ที่ปัจจุบันทุกขนาดเพราะว่าอะไรเพราะมันโยงถึงกัน ปัจจุบันถนัดก็คือเป็นเชื่อมต่อระหว่างกางระหว่างอดีตและอนาคตผมจะที่อธิบายว่าทำไมถึงเชื่อมต่อกันได้เช่นขนัดเนี้ยทุกท่านที่อยู่ในห้องสูงนะก็อยูอ่มาจากอดีตถ้าไม่มีบุญเก่าแต่าาการตอนก็มีบุญเหตุการณ์ที่มีเหตุปใจให้มาสุนทธรรมขนัดนี้ไม่คือเป็นอดีตมาครับมีปัจจเนาะทีนี้เราสุนทนธรรมขนัดนี้ไปปุ๊บเนี่ยหลังจากสุนทธรรมได้ตรงเนี้ยบุคคลที่กลางอยู่ข น, ดนัขนดแรทุกท่านแหละ มันแล้วแต่เหตุปจเว่ามันตัดแต่งนะบุคคลตังแล้วเข้าใจหรือม่เข้าใจกุศกศาสุนาธรรมนะครับอย่าจะสังเกตดูอย่างนะครับว่ากุศลและธรรมหรือศาสนาธรรมนะบุคคลถ้ามีการตังและเข้าใจหรือใส่ใจนะบุคคลนั้นเข้าใจหรือเกิดปัญญาหน้าติปุสสน์นะครับก็จะก็ประสบผลให้อนาคตบุคคลนั้นก็ต้องเจอสมาธิถี่หรือมีมีเห็นถูกต้องแม้วันนี้จะไม่เข้าใจธรรมมันก็จะสะสมต่อไป นะครับทีนี้ผมบอกว่ามันจะโยงให้ว่าอดีตที่เรามาอยู่ปัจจุบันตรงนี้เท่าออไรเพรก็ว่า บ, บุญเก่าแต่อดีตที่เราสะสมมาเนาะถึงจาเจอต้องมึได้และอนาคตจะส่งผลให้เราไปถูกทางผลทางที่ถูกต้องขึ้นไปเพราะนั้นอดีตอนคาคตก็โยงมาขถานนี้นะครับแต่ทีนี้จะสังเกตนะครับว่าขณปัจจุบนันขณะที่ทุกท่านที่อยู่ขณะเนี้ยเห็นนะครับว่าปัจจุบันขณะเนี้ยมันเลื่อนไปข้าหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื้วยๆนั่นก็หมายความว่า ผมมีความ ร, รู้สึกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับสี่ววว่างเปล่าสังเกตเนาะประมาณเนาะอาจารย์น็อตมันไปยกยกตัวอย่างเนาะผมเอาตัวอย่างท่านลมครับท่านลมขนาดหมุนเนี่ยครับเป็นใบพัเนาะสามสามไปเห็นไหมผมถึงว่าอดีตอนาโตปปัจจุบัเป็นบพัดที่หมุนเนี่ยผมถามุว่าจะรู้ได้ว่าจุดเริ่มต้นและและที่ติดของมันคือใบพัดบพัดใบไหที่มันหมุนนั่แรกไม่มีใครนับได้หรอกครับแต่ที่รู้ได้คือปัจจุบันที่ลมมัพัดนแค่นั้นเองผม มีความคิดสห็นแล้วก็แสดงเข้าใจนะครับส่ว น, น, นสิ่งได้ติณข้าศึกประกอบติณแล้วก็ต้องมีให้สิที่รู้กับสิที่ไม่รู้เลยครับถ้าไม่มีเราไปรู้แล้วใครไปรู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นะผมเลยบอกว่ากระบวนการขนานมีสำคัญที่สุดเรื่ออย่างเช่นขมานเนี้ ย, ย, ยนนผมกําลังพูดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของอนัตตารู้ไหมครับว่าผมจะพูดคําต่อไปผมตอบไม่ได้ท่านก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดคาอะไรไปเรื่องที่ อ, อ, อนัตตามันก็เปิดปากไม่ได้แต่สิ่งที่จบไปแล้วเนี่ย แต่สิ่งที่จบไปแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่จบไปแล้วเนี่ยสามครั้งเนี่ยครั้งที่หนึงที่ตองที่ตสามไม่จำสังเกตไหมครับแต่สิ่งที่จบไปแล้วเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันมันดับๆๆๆับไปข้างหน้าข้างหน้าตลอดแล้วก็เป็นอดีตนั่นแหละมจน์ในตรงนี้ครับผมได้ความเห็นไปีิครับขอบคุณครับค่ะสาธุค่ะคุณนันท์นค่ะค่ะหลวงพ่อค่ะยินดีเชินค่ะ ก็ น, นี่มบนอาจารย์พลอยต่อค่ ว, <c oughs> วันนี้อาจารย์ออสโยมให้ผมหมดเลยเนาะเนี่ย <c oughs> ก็อย่างที่ยออนโยมอานนท์หรือเพลินพูดเนาอ ะ, อะสิ่งที่ไวที่สุดก็เพียงแค่ขณะเดียว <c oughs> เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ดีแล้วว่าต่อให้บุคคลได้อ่านพระไตรปิฎกมาร้อยปีทั้งตู้ทั้งเล่มเนี่ยนะ แต่ถ้ายังไม่เห็นเพียงแค่ขนาดเดียวเหมือนบุรุษคนหนึ่งเพิ่งเห็นการเกิดและเห็นการดับก็คือผู้รู้คือจิตไปเห็นปัจจุบันคือสิ่งทุกรู้ดับไปพร้อมกับผู้รู้เพียงพร้อมกันก็จะบุคคลนั้นก็เป็นผู้ที่หาประโยชน์ได้เพียงแค่ลัดมือเดียวอุปมาอุปไมยเบื่อแต่เหมือนน้ำเลย น้ำนน้ำเนยใส่หยดลงตุ้มเดียวนะ่นะช้างกระดิกหูหมูแลบเดินไก่เคยพูปีกเพียงแค่นั้นนะ่ะพุทเจ้าบอกเป็นผู้ที่หาประโยชน์ได้นะ่ะประโยชน์มันอยู่ตรงที่ว่าเห็นว่ามันไม่ใช่เราเพียงไม่ใช่เราจริงๆไม่มีเราจริงๆคือขนาดนี้เดี๋ยวนี้ขนาดที่ <c oughs> <c oughs> นะยมเพื่อนพูดเรื่องพัดลมเนี่ยพัดลมมันก็เป็นเพียงแค่สมมุติแต่ก็โดยอาศัยสิ่งสมมุติน่ะ อางที่พระอาจารย์ออดหนุ ย, นยพระอาจารย์ทลอยได้คุยกันถ้าเราไม่หยิบยืนสมบุติมาพูดแต่มันเป็นสมบุติโดยสัจจะเป็นสมบุติที่เป็นธรรมะที่เถียงไม่ได้นั่นถ้าใครเถียงได้ก็เช่นในโลกเนี้ยมีอะไรมั่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปอะทุกคนก็เถียงไม่ได้นี่คือความจริงเนี่ยในเขาเรียกโดยสมมุติโดยสัจจะ เพอเอาสมมติโดาจะเพื่อเป็นการดึงสภาวะให้เห็นเห็นความจริงโดยโดยการฟังเห็นความจริงโดยการอ่านสุดท้ายท้าสุดในการอ่านมันก็ยังไม่รอบในการฟังก็ยังไม่จริงมันต้องรู้อย่างเงียบเงียะคือจริงทั้งหมดนั้นภาพที่ยอมเพลินเห็นพัดลมอะภาพที่เธอเห็นเนี่ยมันก็กําลังมองอยู่เดิมทีมันเองก็ไม่มีอะไรอะไรอยู่แล้วแต่เมื่อใดนะเธอหลงไปกับ ภาพนั้นๆเป็นเรื่องราวเป็นคำพูดหรือเป็นอะไรกันแล้วแต่และตัวอักษรก็ดีหรือจะเป็นคำพูดที่ใบปากจากเผยหลุดพูดออกมาเมื่อไหร่สิ่งนั้นเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดที่ทปาฏจากธรรมชาติแต่ถ้าเป็นปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นกุนกศลธรรมนะแต่สุดท้ายกุศลก็ไม่เอาอภุศลก็ไม่เอามันต้องว่างจากคำว่าดีและชั่ว อ่าสุขและทุกข์เนี่ยอ่าเลือกทั้งว่างก็ไม่เอาไม่ว่างก็ไม่เอาได้ก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาเพราะในความว่างและความได้ในขาดที่ว่ารู้ถึงหรือไม่รู้ถึงหรืออะไรก็แล้วแต่ความพอใจหรือไม่พอใจก่อนที่มันจะพอใจก่อนที่มันไม่พอใจก่อนที่มันจะเกิดมันมีความว่างอยู่แล้วแต่พอได้ได้ความพอใจแล้วได้ความไม่พอใจแล้ว ตอนดับไปแล้วสุดท้ายก็กลับไปสู่ความว่างเหมือนเดิมเห็นไหมจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดคือจุดเดียวกันเนี่ยจุดนั้นก็แเลยจุดต้นและจุดอย่างถ้าไปดูเรื่องเดอะแมททินะฉากสุดท้ายที่เขาบอกที่ได้มีจุดเริ่มต้นที่ได้มีจุดสิ้นสุดนียนั่นแหละใครเป็นผู้สร้างเนี่ยก็มีหรือไปดูเรื่องบุตรด้านเนาะที่มีฉากสุดท้ายที่พระพุทธเจ้ามองไปที่น้ําแล้วก็เห็นตัวเองเ่ยดึงตัวเองขึ้นมาเนี่ย เราบอกว่านี่ไงเราจะในช่างผู้ปลุกเรือนเราลุลือนเจ้าสือแล้วคือเราจะไม่ไปต่งแต่งแล้วนะเราจะเป็นก็เหมือนระหว่างตัวผู้รู้กับสิ่งถูกรู้เนี่ยก็เราไม่หลงก็ไม่หลงเอาตัวผู้รู้มายึดสิ่งถูกรู้แล้วแม้กระทั่งจิตก็เป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยจิตเห็นจิตเป็นมากก็คือจิตที่มันเป็นจิตของจริงจิตของปลอมเนี่ยจิตของจริงมันมันพูดไม่ได้แต่จิตของปลอมมันยังพูดได้อยู่นะ งั้นของจริงกับของปลอมหรือที่ว่าของจริงคืออเรารู้แต่เดาของจริงมันรู้เราไม่มีนะั่นแหละคือจริงนั้งหมดแต่ก็ยังต้องอาศัยอยู่งั้นสิสําคัญก็วัดตรงเพียงแค่เครื่องวัดดีที่สุดไม่ใช่อาจารย์ไปวัดนะตัวเองวัดดีที่สุดเวลาเราก็อยู่กับใครที่คิดว่าเราว่างจากเราแล้วลองไปอยู่กับคนที่เราชอบไปอยู่กับคนที่เราเกียร์ อยู่ใกล้ๆหรืออะไรให้ดูความกระเพื่อมดูดูว่าเวทนาเรามีอยู่ไหมที่ใด้มีตัญหาที่นั่นมีเวทนาอยู่ก็มีความกระเพื่อมอยู่มันเป็นเครื่องวัดนะถ้ามันแบบไม่หวั่นไหวจริงๆเลยนะนั่นแหละคือของแท้นะข้างในก็ไม่หวั่นไหวก็คือเราไม่มีแล้วจนไม่จนไม่มีเขาด้วยอยู่กับคนที่ที่เขาเป็นตัตรูเขาเป็นคนที่เรารักเราก็ไม่หวั่นไหวด้วย หนึ่งเหมือนเดิมหนิ่งก็คือไม่ไม่มีเราจนอีกนิ่งก็เหมือนที่อุปมาโอปไมยเหมือนก้อนหินแหละถ้าหินพูดมารเมื่อไหร่หินนั้นก็ไม่ใช่ธรรมชาตินั้นสิ่งสมมุติมันก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่เอาถ้าไม่มีคําว่าสมมุติมันก็ไม่รู้จักคำว่าวิมุตติอีกนั่นแหละก็จริงทําให้เราก็ต้องมาหยิบยืมคําพูด สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการสื่อสารให้เข้าใจแต่ก็ไม่ใช่ให้เชื่อให้จงเชื่อในสภาวะที่ตัวเองประจักแจ้งเพียงแค่ขณะเดียวขณะเดียวมันก็จะเปลี่ยนผลให้ลักษณะบุคคลคนนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากมายก็ข อ, ขออนุโมทนาพระอาจารย์ครับก อ, องมีเท่า น, นี้แหละค่ะจัดทู่ค่ะท่านรอยค่ะก็พูดเมื่อกี้ท่านรลอยพูดถึงสมุดนะคะก็ รวมถึงสมมติด้วยนะคะสมมุติเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันมีในโลกเนี้อ่ะมันก็เพื่อสอนเราเหมือนกันนะคะก็เหมือนความทุกข์เนี่ยแหละถ้าเราไม่มีความทุกข์เนี่ยเราจะเรียนรู้มันไม่ได้นะคะถ้าเรามีเกิความสุขทุกคนก็ลงไปเกิดความสุขความทุกข์เนี่ยค่ะมันทําให้เราได้เรียนรู้จริงๆสมมุติก็ไม่ใช่สมมุตินะคะในเมื่อสมมติเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่ดีนะคะมันมีแต่มันมันไม่จริงนะคะเพก็เช่นเดียวกันหาถึงมนุษย์เนี่ย จะอยู่กับความหลอกลวงหรือว่าความโกหกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มันก็ไม่ใช่ที่จะไปยัดเยียด ค, ความเป็นตัวตนก็ไม่ได้อยู่ทีนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีอยู่ตั้งแต่เดิมในความเป็นสมมุติอยู่แล้วนั้นทุกอย่างมันก็เป็นธรรมชาติที่มันได้ตัวตนมาตั้งแต่แต่แรกเริ่มอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามีสมมติโลกเนี่ยไปบทบทบางมันเอาไว้สมมุติก็เลยแบ่งแยกมันไปต่างๆ น, นานานะคะแต่ถ้าดวงตาของเราเนี่ย นะไม่ใช่ดวงตาเนื้อนะถ้าดวงตามองเห็นความจริงที่ไม่ไม่ไม่บอดนะคะก็จะมีอะไรให้เห็นเป็นตัวตนอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสายตาของออผู้ปฏิบัตะะิที่เป็นอริยะเนี่ยต้องบอกว่าก็จะมองเห็นแต่ไม่ได้เห็นสิ่งใดนะคะที่มันเป็นความที่เป็นตัวตนอะไรอย่างนะะี้ค่ะก็ทะลุสมมติไปนะคะเหนือสมมุติไปแล้วก็ตัดขาดจากความหลงนะคะ ถึงท่านจะดูเหมือนได้ตัวต้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าท่านก็อยู่ในรูปของเมตตาธรรมเนี่ยความนักความดีงามนะคะแล้วก็ตัวตอนที่แท้จริงท่านเนี่ยไม่ว่าจะนานแค่ไหนไม่ว่าครูบาอาจารย์เรานะคะท่านจะลาลับโลกไปนะคะแต่ว่าความดีงามนะคะความเมตตาความนักก็ยังอยู่ในเนี้ยค่ะนะค ะ, นะคะเป็นประทีปให้เราคร่ะเคลื่อนไปนะคะให้เราปฏิบัติจนถึงความอิสระอิงแท้จริงนะคะก็เรียนเชิญนะคะทุกท่านข้างล่าง สวัสดีคุณพิมพ์นะคะคุณทวีศักดิ์นะคะแล้วก็คุณโรชิลนะคะถ้าเรียกผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็คุณฟุกนะคะคุณสุพวีคุณอันดิสนะคะคุณสติเ อ, อเดนเชิรนะคะวันนี้เราคุยถึงเรื่องหัวข้อรู้สิ่งที่กําลังปรากฏหน่วยเติมคําว่านะปัจจุบันลงไปด้วยนะคะขอเสริมคําว่าปัจจุบันแล้วกันค่ะจริงๆไม่ว่าจะเป็นอดีตนะคะ ปัจจุบันหรือว่าอนาคตเนี่ยค่ะนะคะถ้าเราเรารู้ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงสมมติบัญญัตินะคะเพียงแต่ว่าเราเราใช้คําว่ารู้ขณะปัจจุบันเนี่ยเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะคะในสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ไม่ต้องไปหลงกับเ อ, อ, อดีตหรือว่าไปไขว่คว้าอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงอะไรอย่างนี้ค่ะก็เรียนเชิญที่มาสนทนากันนะคะว่าในการปฏิบัติตเนี่ยเราปฏิบัติตไปแล้วเนี่ยเราเข้าใจตรงนี้ยังไงหรือว่า สามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งตามที่หัวข้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไงหรือว่ามีประสบการณ์อะไรยังไงก็เรียนเชิญ น, นะคะ